1. นึปิลินทวัตฉวัตถุกว่าด้วยพระปิลินทวัชชะเรื่องพระปิลินทวัชชะจะทำความสะอาดเนื้อเขาและพระเจ้าพิมพพิสารพระราชทานคนงานวัด 2. 7 0สมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชะประสงค์จะทำที่เรน จึงให้ภิกษุทั้งหลายทำความสะอาดเงื้มเขาในกรุงราชครึครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครดรัฐเสด็จเข้าไปหาท่านพระปิลินทวชชะถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้ทรงอภิวาตแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครดรัฐผู้ประทับนั่งณที่สมควรแล้ว เนตรกับพระปิลินทวัตชะดังนี้ว่าพระคุนเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายทำอะไรท่านพระปิลินทวัชชะถวายพระพรว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพประสงค์จะทำที่เร้นจึงให้ภิกษุทั้งหลายทำความสะอาดเงื้อมเขาพระเจ้าพิมพิสารตรัสถามว่าพระคุณเจ้า ต้องการคนวัดบ้างไหมท่านพระปิลินทวัชชะถวายพระพรว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มีคนวัดพระเจ้าพิมพิสารตรัส ถ, ถามว่าถ้าเช่นนั้นพระกุณเจ้าพึงทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วบอกโยมด้วยท่านพระปิลินทวัชชะทูลสนองพระดารัสแล้วชี้แจงให้เท้าเธอเห็นชัด ชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล่ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐผู้ซึ่งท่านพระปิลินทวชชะชี้แจงใหเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล่า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกระถาได้เสด็จลุกจากราชอาณจทรงอภิวาสพระเถระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับไปต่อมาท่านพระปิรินทวชชะทรงทูตไปยังสำนักพระผู้มีพระภาคให้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัต มีพระราชประสงค์จะถวายคนวัดข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติอย่างไร